เรื่องผู้เป็นโจทย์โดยชอบทำรรไม่ต้องเดือดร้อนท่านพระบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยชอบทำรรไม่พึงเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค กระตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยชอบธรรมไม่พึงเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. ท่านโจทย์โดยการที่ควรไม่ใช่โจทย์โดยการไม่ควรจึงไม่สมควรเดือดร้อน 2. ท่านโจทย์ด้วยเรื่องจริงไม่ใช่โจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงจึงไม่สมควรเดือดร้อน 3. ท่านโจทย์ด้วยคําสุภาพไม่ใช่โจทย์ด้วยคําหยาบจึงไม่สมควรเดือดร้อน 4. ท่านโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่โจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์จึงไม่สมควรเดือดร้อน 5. ท่านมีเมตตาจิตโจทย์ไม่ได้มุ่งร้ายจึงไม่สมควรเดือดร้อนอุบาลี ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยชอบธรรมไม่พึงเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างนี้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุอื่นก็พึงสำคัญบุคคลที่พึงโจทย์ด้วยเรื่องจริง